Right now. จอตอนมีสิบกอนโขกสองชั้นดาทุกตอนยน้าที่หาอยาอับหนูห้าเรียกเท่านี้ที่หมายว่าเรื่อเท่ า, านั้นที่จับแน่ไขว่าเป็นไอเคขวางก้นชิ้นไหนด้นเพี้ยนแล้วนี่เราที่สายังเหพี่ยนแกรมผมมาหนาว Oh my god